พระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวะ่ากะัจกุสัมถะเนี่ยนะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประมาณเท่าใดในพระสาวกมีประมาณเท่าใดไม่มีองค์ใดที่จะสม่ำเสมอด้วยท่านพระวิทุระในทางพระธรรมเทศนาท่านพระวิธุระจึงมีนามว่าวิทุระวิทุระบัณฑิตเนี่ยนะหมายถึงเน้นพิเศษก็คือบัณฑิตบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมมากเลยเนี่ยนะก็เหมือนกับภาษาดิบรของเรา ก็คือในจํานวนสาวกทั้งหลายผู้แสดงธรรมผู้ที่ทําธุระในการประกาศพระธรรมเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดเท่ากับพระสารีบุตรพระสารีบุตรสามารถที่จะประกาศพระธรรมมาจักรให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์เพราะฉะนั้นฉันใดพระวิทุระพระวิทุระอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะโกสันทะก็ฉันนั้นเหมือนกันที่นี้อัครสาวกข้างซ้ายล่ะอัครสาวกข้างซ้ายของ พระพุทธเจ้ากักกุสันทะก็คือท่านพระสัญชีวะพระสัญชีวะเนี่ยอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธปกติเข้านิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัติของท่านนั้นลําบากแค่เล็กน้อยนะลาบากนิดหน่อยเท่านั้นเองมานผู้มีบาปเรื่องเคยมีมาแล้วพระสัญชีวะเนี่ยนะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธ หรือที่เรียกว่านิโรธสมาบัติอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยยตานิโรธที่ต้นไม้แห่งหนึ่ง น, นะผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติอย่าลืมว่าหนึ่งไม่มีลมหายใจสองไม่มีสัญญาและเวทนา ก็คือไม่มีจิตเจตสิกไม่มีความคิดอะไรก็ดับความคิดแต่อินทรีย์คือตาหูจมูกเลนกายเนี่ยผ่องใสแต่ว่ามือแต่ว่าอินชีวิตอินทรีย์นี่ยังอยู่แต่ว่าจิตไม่มีก็ปริเหมือนอะไรก็เหมือนคนตายต่างจากคนตายตรงที่ว่าคนตายเนี่ยนาะเตโชธาตก็ดับอายุก็ดับวิญญาณก็เคลื่อนจากกายแต่ผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นจิตเนี่ยดับแต่เตโชธาตยังอยู่อินทรีย์ห้า ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยผ่องใสเป็นพิเศษแต่ชาวบ้านไม่มีปัญญาพอที่จะวินิจฉัยได้ก็เลยพูดกันว่าท่านผู้เจริญหน้าอัศจรรย์เนาะเกวันหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วหนอพระสมณะนี้นั่งทํากาละเสียแล้วตายแล้วพระท่านตายแล้วว่างันทำไงดีช่วยกันเผาเถอะชาปนกิจช่วยกันเผาเลยคันเนี่ยชาปนะแปล ว, ว่าเผา ครั้งนั้นพวกคนเหล่านั้นเนี่ยนะก็คือพวกคนเลี้ยงโครปรัสุสัตว์ชาวไร่ชาวนาคนเดินทางก็ช่วยกันหาไม้เนี่ยนะมามามาจัดงานถวายพระเนี่ยนะก็เลยหาก้อนโคไม้เป็นต้นมากองสมท่านพระสันชีวะแล้วก็เอาไฟเนี่ยคิดว่าเอาไฟจุดเผาแล้วก็หลีกไปคิดว่าก็คือสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเผาแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะ เมื่อราตรีนั้นผ่านไปแล้วก็ได้ว่าไฟสมไฟทิ้งไว้ตัง้งแต่เย็นอ่ะนะตกตกทุ่งเช้ามาท่านพระสันชีวะก็ออกจากสมาบัติแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้านุ่งห่มแล้วก็ถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตไอพวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์คนไถนาะคนเดินทางก็ไปเห็นท่านพระสันชีวะเที่ยวบิณฑบาตก็พูดว่าท่านผู้เจริญหน่าอัศจรรย์เนอไม่เคยมีมาหนอพระสมณะนี้ นั่งทํากาละเสร็จแล้วก็ยังกลับมีชีวิตอยู่ม่อีกกลับมีสัญญาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าสันชีวะก็เลยมีชื่อว่าพระสันชีวะสัญชีวะตายแล้วก็ยังเกิดอีกเหมือนนตายแล้วก็ยังเป็นอีกคิดว่าตายแล้วที่ไหนได้ยังอยู่นี่เหมือนันสันชีวะไม่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันก็เลยมีชื่อสันชีว ะ, ะนะเป็นชื่อของพะอระครสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะเนี่ยนะองค์ที่สอง ในอัธกถ า, ธาเล่าเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าตอนที่ท่านออกจากสมาบัติเนี่ยนะก็สลัดจีวรเมื่อพระเทระออกจากสมาบัติแล้วก็ย่ําฐานเพลิงที่ไม่มีควันมีสีเหมือนดอกทองกวาวแล้วก็สลัดจีวรแล้วก็แม้เพียงไออุ่นก็ไม่ได้ตกถึงร่างกายของท่านไออุ่นก็ไม่สามารถจมไม่จีวร อ, อันนี้เป็นผลของสมาบัติก็รักษาเครื่องบริการทั้งหมดเนี่ยนะเครื่องบริการไม่ได้เป็นอันตรายเพราะไฟเผาเลยเพราะได้อธิษฐานเอาไว้แล้วเนี่ยนะ ที่นี้ฝ่ายมาร น, นะะกลับมาที่มารมารผู้เป็นอดีตเคยเป็นลุงของพยา ม, มารปัจจุบันเนี่ยนะมารชื่อว่าทูสีเนี่ยดูก่อนมารผู้มีบาปครั้งนั้นแหละทูสีมารทูสีมารก็มีอกุศลวิตกเกิดความคิดขึ้นว่าเราไม่รู้จักการมาไม่รู้จักการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้คือหมายไม่รู้เลยว่าจุติของท่านแล้วปฏิสนธิของท่านจะไปยังไง ก่อนตายเนี่ยนะผู้มีศีลมีธรรมท่านคิดอะไรนึกไม่ออกไม่เข้าใจแล้วท่านเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนก็เลยคิดว่าพิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมล่วงพ้นวิสัยของเราถ้ากระไเราต้องโดนใจพวกพราหมณ์และครือหาบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงดา่าจงบริพาทเบียดเบียนอ่ะนะ บริภาษเสียดสีเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าชะไหนภิกษุเหล่านั้นถูกท่านด่าว่าบริพาษเสียดสีเบียดเบียนอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ถูสีมารพึงได้ช่องนะครับว่าหาเรื่องให้พระเสียหายเนี่ยนะหาเรื่องให้พระเนี่ยเป็นที่เกลียดชังของชาวบ้านก็บอกว่า ในรายละเอียดต่อไปว่าครั้งนั้นทูสีมานก็ดนใจพวกพราหมคือหบดีตามความคิดนั้นนะพอตัวเองคิดเสร็จก็ดนใจเลยเข้าไปดนใจพวกพราหมและครืหบดีนะถูกมารดนใจแล้วก็ด่าบริพาสเสียดสีเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุเหล่านี้เป็นสมณะหัวโล้นเป็นพวกครหบดีเหมือนกัน เป็นข้างข้างกับตระกูลลิงนะนะเผาลิงเหมือนกนเป็นผู้เกิดแต่หลังเท้าของพวกพรม้มพวกนี้นะพวกนักบวชสมณะโล้นพวกนี้เนี่ยพูดอ้างแต่ว่าเราเป็นพวกนักเจริญฌานเป็นผู้เจริญฌานที่แท้ก็เป็นพวกคอตกก้มหน้าขี้เกียจรำพึงซบเซา ง, ง้อยเหงาเหมือนนกเข้าแมวเนี่ยนะจ้องหาหนูที่กิ่งไม้เหมนะนั่งเซิมเนี่ยนะแต่จ้องฮุบเหยื่อสินี่เหมือนนน่น หรือเหมือนกับอันนะเป็นผู้คอตกก้มหน้าซบเศร้าลำพึงซบเศร้าเง้อยเงาอยู่เหมือนอะไรเหมือนสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาที่ฝัง่งแม่น้ํำนะพูดว่าพวกเราจะเจริญช้านพวกเราจะเจริญชา น, าชานแต่ก็นั่งคอตกก้มหน้าขี้เกียจลำพึงซึมเศร้าเง้อยเงาเหมือนกับแมวจ้องหาหนูที่เรือนต่ออันรุงรังและก็กองขยะอยากเยื่ อ้างนะแต่ว่าเราเจริญฌานเจริญฌานแต่ว่าไปนั่งคอตกกม้มหน้าขี้เกียจรำพึงซบเซาหงอยเหงาอยู่เหมือนลาที่ปลดต่างแล้วก็รำพึงซบเซาหงอยเหงาอยู่เช่นั้นเนี่ยนะซึมไม่มีแต่ที่จริงนะพระเนรเราเนี่ยถ้ากุศลไม่เจริญมันก็เป็นอย่างที่เขาว่ า, าจริงแหละนั่งคอตกซบเซาหงอยเหงาเฮ้ยเหมือนกับว่าโลกนี้มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคือคือมันไม่ประกาศเขอบอกเอางี้ดีกว่า คนที่อย่างคนที่ทํามาหากินทางโลกเนี่ยกำลังหาขึ้นเนี่ยนะยิ่งหายิ่งรวยยิ่งหายิ่งได้เขาจะเสียใจไหมนั่งเครียดไหมทําไมมันได้เยอะจังเลยหน้าเบื่อเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนั้นไหมมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นแม้ถึงจะเหนื่อยเนี่ยนะอาจจะหลับนิดเดียวแต่แม่ก็ขยันขันแข็งเป็นต้นทําไมอ่ะเพราะเขามองเห็นผลกําไรที่จะได้อยู่พระที่เขาเจริญกรรมาฐานแม้เกือบจะบรรลุมรรคผลเนี่ยเศร้าเลยใช่ไหม ง่วงสลึมสลือเหมือนกับคนเมายาอย่างนั้นไหมหรอกไม่หรอกเพราว่าปกติก็ต้องกุศลเจริญแต่ไอคนหาเรื่องอะนะเชื่อเหมันก็ไม่เชื่อชมหรอกอยู่แล้วอัะนนะก็มารผู้มีบาปครั้งนั้นมนุษย์เหล่าใดทํากาละเนี่ยนะคือพวกที่ด่าพระทั้งหลายเนะี่ยมนุษย์เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกโดยมากโดยมา ก, มากตกนรกเกือบหมดเลยนีนะนะคือ ในหน้า478ยดย่อหน้าข้างล่างก็บอกว่าพวกพี่นั้นอะ่ะเข้าถึงนรกเนี่ยนะชาวบ้านทั้งหลายตกนรกเอา้ามารมามารเข้ามาดนใจทําไมพวกนี้จึงตกนรกทําไมมารไม่ตกนรกเองล่ะก็บอกว่าถ้ามารสิงในร่างกายพวกมนุษย์พวกมนุษย์ ก, ษก็ไม่มีอกุสลหมายคือว่าถ้ามารมาสิงแล้วทําอะไรลงไปเนี่ยคนที่ทําไม่เชื่อว่าเปื้อนบาศจะมีแก่มารคนเดียวเท่านั้นแต่นี้มารไม่ได้เข้าสิงไม่ได้ถูกผีสิงะนะ แต่แสดงวัตถุที่ไม่ถูกส่วนกันและสร้างอารมณ์ที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเกลียดพระพิสูจนทั้งหลายแสดงเรื่องแค่ว่าสร้างเหตุการณ์ให้ทุกคนเกลียดพระเนี่ยนะแค่ว่าสร้างสถานการณ์เพื่อให้คนเกลียดพระก็วิธีการก็มีว่ามาเนี่ยนะแสดงพิกษุทั้งหลายให้เหมือนกับกําลังจับปลาแค่ว่าไปเห็นคนเขาจับปลาเนี่ยนะอ้าวนี่ก็เข้าไปดูใล้ากล้อ้าวนี่พระพิสูุทั้งนั้นแหละมาจับปลา อันนนอย่งอย่างย่ ง, ย ง, ยงแถบชนบทเนี่ยหลายแห่งก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะก็ทำตัวแบบนี้แหละออกมาเอาแหลงไปหวานเลยเนี่ยนะดูไปดูมาอ้าวนี่พระเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ถือตะข่ายดักปลาเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นพวกดักแล้วผูกนกเอาไว้เนี่ยพวกจับนกนี่เข้าไปในป่าเรียกว่าเข้าไปต้นเนื้อในป่าพร้อมกับสุนัขอ้าวในพรานต้นเนื้อก็พระภิกษุนั่นแหละแล้วก็พาผู้หญิงมานั่งดื่มสุราอยู่นั่นแหละเนี่ยนะ เรียกว่านั่งดื่มเหล้าเมาเยาเข้าบาร์เข้าคลับเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเห็นประสงค์วมม่าไปร้านไหนเนี่ยนะเข้าบาร์ไหนก็เห็นแต่พระนั่งอยู่เนี่ยนะถามว่าอนาคตคิดว่าจะสายบ า, ยาต ต, ต่อไหมาชาตินี้นะเข้าไปร้านเหล้าร้านไหนก็มีแต่พระนั่งอยู่เต้ไปหมดขวดเหล้าเมาแอ ก, กันเนี่ยนะเข้าไปแท็กไหนเนี่ยก็มีแต่พระไปอยู่แถวนั้นหมดเนะี่ยถามว่าอนาคตพระในเมืองไทยจะไปรอดไหมเนี่ย ไม่รอดหรอกเชื่อถ้าเป็นพวกขอทานแอบแฝงกันบ่อยๆเนี่ยหมดแน่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านี้สร้างความเกลียดชังให้กับประชาชนมารก็ถือโอกาสแทรกให้พวกนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าพวกทําชั่วปัจจุบันเนี่ยมารสิงเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมารซะเองถูกผีสิงเข้ามาซะเองเลยนะก็สิงใจตัวเองเลยนะก็คล้ายๆแบบนั้นนะเที่ยวฟ้อนรำขับร้องหรือทําให้เป็นเหมือนกับแบบพระภิกษุเนี่ยไปนั่งคลุกคลีอยู่กับพวกศัตรูของตัวเอง เราเกลียดใครเนี่ยนะพระพิสูจชอบไปหาแต่คนนั้นก็หาเรื่องด่าพระส่งไปเลยเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเหล่านั้นไปป่าไปดงไปวัดก็เห็นแต่อารมณ์ที่สร้างความเดือดร้อนอ่ะเห็นแต่ภาพที่ไม่ดีนะมามาในสร้างสถานการณ์ให้เป็นที่เกลียดชังพระพิสูจนมากคล mm. ้ายๆกับสมัยนี้ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมข่าวสื่อลองประโคมใบๆกันสิตอนนี้ท่านก็บอกว่าพระหลายองค์กบดนะตอนนี้บินฑบาตชักไม่ค่อยได้ฉานแล้วเนี่ยนะ ก็ถามว่าปลายเพ่อสื่อเนี่ยสื่อยิ่งลงเขาก็มีเหตุผลว่าถ้าสื่อลงข่าวคนชั่วออกมามากเท่าใดเขาก็เชื่อว่าคนชั่วก็จะได้หมดไปแต่ไอคนดีเนี่ยตายไปนานแล้วเนี่ยนะแค่เรียกว่ากวาดถั่วจะสุกงามมันไม่ไปหมดแล้วเนี่ยนะกว่าคนชั่วจะหมดเนี่ยนะพระดีๆหมดไปนานแล้วเนี่ยนะเพราะท่านบินทบาทไม่ได้เพราะท่านไม่ได้สะสมแก้วแหวนเงินทองพอจะซื้อหาท่านก็ทําครัวเองไม่เป็นเป็นต้นเนี่ยนะท่านจะไปอยู่ได้ยังไงกว่าพระ กว่าพระชั่วชัวจะหมดไปนะพระดีหมดไปตั้งนานแล้วหนังสื่อทั้งหลายเนี่ยบางทีถ้าหากว่าทําแบบขาดสามัญยสํานึกลงแพร่เพียงเพื่อความสะใจเนี่ยนะเพื่อให้ประชาชนมองเห็นในแง่ที่ไม่ดีเป็นต้นคือที่จริงไอคนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ควรกับการเปิดเผยแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดดูว่าการเปิดเผยนั้นเป็นประโยชน์จริงหรือนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาจริงหรือหรือว่าช่วยให้พระพุทธศาสนาหมดเร็วขึ้นไปเนี่ยนะ คือที่จริงเขบอกว่าจริงอยู่ไอการกําจัดคนชั่วให้หมดจากศาสนาเนี่ยสมควรทําแต่กว่าคนชั่วจะหมดคนดีหมดไปนานแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะกว่าจะเรียกว่าฆ่าโชนได้หมดเนี่ยนะประชาชนตาดำๆเนี่ยตายไปหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะเพราะบางทีเราก็ต้องมาคิดดูว่าเนี่ยพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้จริงหรือไม่พระศาสนานี่คืออะไรเนี่ยนะเพราะนี้ก็เหมือนกันมาสมัยสมัยนั้นนะนะสมัยพระพุทธเจ้าพันนาวากะกรุสันทหเหตุการณ์แบบนี้ก็มี เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยอาจจะมานโดนใจเนี่ยนะข้อ น, นี้มานอาจจะเยอะหน่อยก็แล้วกันเสร็จแล้วเมื่อ พวกชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยพอเห็นอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมแบบแม่กิจเหล่านี้สมณะทำอย่างนี้ได้ที่ไหนมันไม่เหมาะสมไม่สมควรแก่สมณะเป็นต้นเน่ยนะอย่างหลายคนเนี่ยบอกโอ้เห็นพระถือกล้องถ่ายรูปเห็นพระถือโน่นถือนี้หมดศรัทธาเลยปราณนั้นบางทีก็เป็นนะบางทีเราไปสังเวชนียสถานมัมีพระถือกล้องถ่ายรูปเป็นต้นคือพระก็คิดอย่างหนึ่งโยมก็คิดอย่างหนึง่งนะแต่ทีพอเห็นพระนั่งคุกเข่าถ่ายรูปปั๊บเนี่ยนะโอ้ยใจในโยมเนี่แป้วเลยปราณนั้น บนกับแปดกับปอดอต่ทีนี้พระก็คิดไว้อีกอย่างหนึ่งเออนี่นะกว่าจะได้มาสักครั้งควรจะเก็บภาพไปให้ญาติโ ย, ดยมดูคือมันคิดคนละเรื่องกันเมื่อคิดกันคนละอย่างมันก็มองกันคนละอย่างแต่ทีนี้ว่าพระก็ไม่รู้ตัวว่าทำตุทำในสิ่งที่โยมก็ไม่เลื่อมใสไอ้โยมก็หมันไส้พระก็ไม่ได้บอกว่าพระท่านทําอย่างนี้โยมไม่เลื่อมใสนะโยมก็ไม่ได้บอกต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้หนักๆเข้าก็เลยมึนตึงกันไปหมดเลยครับเนี้ยทั้งมึนทั้งตึงหนักๆเข้าก็โยมก็ โยมก็จะทำกิจของโยมเลยนะท่านก็นิมนต์ตามทางของท่านเถอะเพราะฉะนั้นก็เลยชักชวนกันไม่ทำบุญถวายทานกลยกันเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกที่ด่าผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็พวกนั้นก็ประสบบาปตายแล้วก็ไปอบายกัน น, นะนะเพราะว่าสมัยนั้นสมัยนี้เนี่ยนะคนทาบาปนะทาสมัยไหนมันก็ตกนรกเหมือนกันนั่นแหละ